ตัดโวหารแปประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาดีทำแปดประการนี้เป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ 2. บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์ 3. บุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศาัยการพูดจริง 4. บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอา ศ, าศาัยการไม่พูดส่อเสียด 5. บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี 6. บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย 7. บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น 8. บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิน่นขหาบดีทำแปดประการ น, นี้แลเรากล่าวโดยย่อมิได้จำแนกให้พิดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัย โปรติยาข้าพดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำแปดประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยอ่อมิได้จำแนกให้พิดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์จำแนกทำแปดประการนี้ให้พิดารแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปรติยะข้าหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์ แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกติเป็นอันหวังได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยการฆ่าสัตว์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทําความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาจากการฆ่าสัตว์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ลักทรัพย์ แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยหลังจากตายแ ล, แล้วทุกติเป็นอันหวังได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยการลักทรัพย์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทําความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาจากการลักทรัพย์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้ว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดเท็จเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เ่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้พูดเท็จ แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยการพูดเท็จนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย Blood. เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วอาสะวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคําที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล ว, ว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออ ร, ริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่ง เราเป็นผู้ผู้ส่อเสียดแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการผู้ส่อเสียดเป็นปัจจัยผู้รู้ใครครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการผู้ส่อเสียดเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกติเป็นอันหวังได้เพราะการผู้ส่อเสียดเป็นปัจจัยการผู้ส่อเสียดนั่นเองเป็นสังโยชนะ์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแคนเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นข่าจากการพูดส่อเสียดแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทําความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียดนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้ว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำนัดยินดีเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำนัดยินดีเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันวังได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัย ความโลภคือความกำหนัดยินดีนั่นเองเป็นสังโยช น, นิวรและหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาจากความโลภคือความกำหนัดยินดีอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านาั้นจะไม่มี ค, ค า, า, คาที่เรากล่าวไว้ว่า บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่า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 เราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยผู้รู้ใครโครวนแล้วพึงติเตียนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยการนินทาและการประทุษร้ายนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวร์ อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความกับปแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีการนินทาและการประทุษร้ายอาสวะและความเร่าร้านอนที่ทำความกับปแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าววิว่าบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยผู้รู้ใครครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยความโกรธแค้นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวร์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความขับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยเมืม่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทาความโกรธแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคาที่เรากล่าวไว้ว่า บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้ว่า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 ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกติเป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยความดูหมิ่นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ดูหมินอาสวะและความเร่าร้อนที่ทาความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มี คำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความดูหมินได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมินนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ขหาบดีทำแปดประการที่เป็นไปเพื่อละเพื่อตัดขาดโวหารในอริยวินัยเรากล่าวไว้โดยย่อจำแนกไว้แล้วโดยพิสดารแต่เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่า เป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบท้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยปุตริยะข้าพดีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรเล่าจึงจะชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบท้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยขอประธานวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ โดยวิธีที่จะตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าขหาาบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยะข้าบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า โทษแห่งกามเจ็ดประการขหาพดีเปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังหิวโซยืนอยู่ใกล้เขียงของคนฆ่าโคคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญโยนโครงกระดูกที่เชือ่อชํำแหละเนื้อออกหมดแล้วแต่มีเลือดติดอยู่บ้างไปให้มันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร สุนัขตัวนั้นเมื่อแทะโครงกระดูกที่เชื่อชำละเนื้อออกหมดแล้วแต่มีเลือดติดอยู่บ้างนั้นจะบรรเทาความหิวได้บ้างไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะโครงกระดูกที่เชื่อชำละเนื้อออกหมดแล้วนั้นแม้จะมีเลือดติดอยู่บ้างสุนัขนั้นก็จะพึงมีความเหน็ดเหนื่อยและความหิวมากขึ้นอีกพระพุทธเจ้าข่ากหาดี อริสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการมทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกรรมนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงขหาบดีเปรียบเหมือนนกแรง้งนกตะกลุ่มหรือนกเหยื่ยวคาบชิ้นเนื้อบินไปฝูงนกแร้งก็ดีฟูงนกตะกรุ่มก็ดีฟูงนกเหยื่ยวก็ดีพากันโผลเข้าไปรุมจิกทึ้งชิ้นเนื้อนั้น ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้านกแรงนกตะกลุ่มหรือนกเหี่ยวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันอาจถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะขหาบดีอริสาวกก้อยอย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการามทั้งหลายว่า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 ข้าบดีเปรียบเหมือนบุรุษถือคบย่าที่ไฟติดลูกโชนเดินทวนลมไปท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบย่าที่มีไฟติดลูกโชนนั้นเสียคบย่าที่มีไฟติดลูกโชนนั้นก็จะพึงไม่มือไม่แขนหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเขาอาจถึงตายหรือได้รับทุกข์างตาย เพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะขหาบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกรารทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยคบเพลิงมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษของกรรมนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว และถึงเจริญอุเบกขาขาหาบดีเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงมีความลึกกว่าหนึ่งชั่วบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนรักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้ามีชายสองคนเป็นคนแข็งแรงช่วยกันจับแขนเขาข้างละคนฉุดเข้าไปยังหลุมฐานเพลิง ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนผู้นั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษผู้นั้นรู้ว่าถ้าเราจักตกลงไปยังหลุมฐานเพลิงนี้อาจถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายเพราะหลุมฐานเพลิงนั้นเป็นเหตุพระพุทธเจ้าข้าขหาบดีอริยสาวก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกา ร, รทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในก ร, รมเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษของกรามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วละถึงเจริญอุเบกขาข้าหาบดีคนฝันเห็นสวนป่าสถานที่ สาโบคอรณีที่น่าเรื่นรมเขาเติ่นขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรเลยแม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยความฝันมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งและถึงเจริญอุเบกขาข้าาบดี เรียบเหมือนคนยืมทรัพสมบัติคือแก้วมณีและคุณทนอย่างดีของบุคคลอื่นนั่งยานพาหนะไปเขาสวมใส่ทรัพสมบัติที่ตนยืมมาไว้รอบตัวเดินไประหว่างร้านค้าในตลาดประชาชนเห็นเขาแล้วก็ตรซุบชิบกันอย่างนี้ว่าคนนี้รวยจริงพวกคนรวยเขาใช้สอยสมบัติกันอย่างนี้เองพวกเจ้าของพบเขาณที่ใดที่หนึ่งเข้า ก็จะพึงนำเอาของของตนคืนไปในที่นั้นนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมควรไหมกับการที่คนผู้นั้นไม่แสดงอาการหวงแหนในทรัพสมบัติสมควรพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของมีสิทธิจะนำของของตนคืนไปพระพุทธเจ้าค่าขหาบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกรราทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยของขอยืมมีทุกข์มากมีความกับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งและถึงเจริญอุเบกขาขหาบดีเปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมต้นไม้ในราวป่านั้นมีผลดกดาดเดินแต่ยังไม่หล่นลงมาเลยสักผลเดียว ชายคนหนึ่งผู้ต้องการผลไม้เที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้เขามาถึงราวป่านั้นเห็นต้นไม้ที่มีผลดกดาดเด่นนั้นเขาคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดกดาดเด่นแต่ไม่มีผลหล่นลงมาสักผลเดียวแต่เรารู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ทางที่ดีเราควรปีนขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็ม เขาจึงปีนขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็มต่อมาชายคนที่สองต้องการผลรไม้ถือขวานที่คมกริบเที่ยวสาะสแสวงหาผลไม้เขามาถึงราวป่านั้นเห็นต้นไม้มีผลดกดาดเดินเขาคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดกดาดเดินแต่ไม่มีผลหล่นลงมาสักผลเดียวและเราก็ไม่รู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ ทางที่ดีเราควรจะตัดต้นไม้นี้ที่โคนต้นแล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็มเขาจึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรชายคนแรกโน้นที่ปีนขึ้นต้นไม้ก่อนถ้ามีรีบลงมาต้นไม้ก็ล้มทับมือเท้าหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาหักได้เขาอาจถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตาย เพราะต้นไม้นั้นเป็นเหตุใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าข่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกรารทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความกับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง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 วิชาสขหะบดีอริยสาวกนี้นั่นแหลอาศัยเจตุจาร์ที่มีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อริยสาวกนี้นั่นแหล อาศัยจจตุจารานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลอริสาวกนี้นั่นแหลอาศัยจตุจารที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อัญหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันขหาหบดีเพียงเท่านี้แลชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบท้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัย โอตาลิยะขหบดีประกาศตนเป็นอุบาสกขหาพดีท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นการตัดขาดโวหารเห็นปานนี้ในตนเหมือนการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบท้วนดยประการทั้งปวงในอริยวินัยระนั้นหรือโอตาลิยะข้าพดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นเช่นนั้นกระไรได้ สามข้าพระองค์ยังกลับเป็นผู้ไกลาจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยเสียอีกเพราะเมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจผิดผพวกอัญญเดรธีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงได้คบหาพวกอัญญเดรธีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึงได้ยกย่องพวกอัญะเดรธีปริภาชก ผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงแต่กลับเข้าใจภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้คบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่บัดนี้ข้าพระองค์รู้จักพวกอัญญเดรธิปริภาชก ผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงคบหาพวกอัญญเดรถีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงตั้งพวกอัญะเดรถีปริภาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่รู้จักภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงคบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่า คบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึงตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงพระผู้มีพระภาคทรงทำความรักสมณะให้เกิดในหมู่สมณนะทรงทำความเลื่อมใสสมณะให้เกิดในหมู่สมณนะทรงทำความเคารพสมณะให้เกิดในหมู่สมณนะแก่ข้าพระองค์แล้วหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหลโปรตริยสูตรที่สี่จบ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 ข้าพระองค์ได้ฟังมาอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายข่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้นแต่ก็ยังสวยเนื้อที่เขาข่าเจาะจงพระองค์ที่เขาอาศัยพระองค์ทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายข่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้น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 กล่าวตู่เราด้วยคำเท็จที่ไม่มีอยู่เรากล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการคือหนึ่งเนื้อที่ตนเห็น 2. เนื้อที่ตนได้ยิน 3. เนื้อที่ตนสงสัยเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการนี้แหลเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการคือหนึ่งเนื้อที่ตนไม่เห็น 2. เนื้อที่ตนไม่ได้ยิน 3. เนื้อที่ตนไม่สงสัยชีวกเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุสามประการนี้แหละการแผ่เมตตาชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศ ท, ที่สองทิศ ท, ที่สามทิศ ท, ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ด้วยประการอย่างนี้ ข้าหบดีหรือบุตรข้าหบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนเพื่อฉันพัตนารในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนต์เมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของข้าหบดีหรือบุตรข้าหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วข้าหาบดีหรือบุตรข้าหบดีนั้นอังฆ่าเธอด้วยบินทบาทอันประณีต เธอไม่คิดอย่างนี้ว่าดีจริงข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนี้พึงอังคาดเราด้วยบินทบาตอันประนีตทั้งมีคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอข้าบดีหรือบุกรขาบดีจึงจะอังคาดเราด้วยบินทบาตอันประณีเช่นนี้ตลอดไปเธอไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่รีบฉันบินทบาตนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกฉันอยู่ ชีวกเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะในคราวนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าฉั้นอาหารอันไม่มีโทษเลยใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาแล้วว่า พรมมีปกติอยู่ด้วยเมตตาคำกล่าวที่เพียงได้ยินมานี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตาชีวกบุคคลจะพึงมีความพยายาทเพราะราคะโทสะโมหะใดราคะโทสะโมหานั้นตถาคตละได้แล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชีวกหากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้เราเห็นด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวหมายถึงการละราคาโทสะโมหะนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะ แผ่กรุณามุทิตาและอุเบกขาชีวกภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูลเหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยอุเบกขาจิตอันไพยบูรเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ด้วยประการอย่างนี้ขหาบดีหรือบุตข้าหาบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนเพื่อฉันพัฒนาในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนเมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกเธอบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของขหาบดีหรือบุตรข้หาบดี นับนอาชนะที่เขาปูลาดไว้แล้วข้าบดีหรือบุตรขาบดีอังค่าเธอด้วยบินทบาทอันประณีตเธอไม่คิดอย่างนี้ว่าดีจริงข้าบดีหรือบุตรขาบดีนี้พึงอังคาาเราด้วยบินทบาตอันประณีตทั้งไม่คิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนาะข้าบดีหรือบุตรข้าบดีจึงจะอังคาดเราด้วยบินทบาทอันประนีเช่นนี้ตลอดไป เธอไม่กำนัดไม่ยินดีไม่รีบฉันบินฑบานั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุก์ฉันอยู่ชีวกเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะในคราวนั้นภิกษุนั้นชื่อว่า ฉันอาหารอันไม่มีโทษเลยใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ได้ยินมาแล้วว่าพรมมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาคำกล่าวที่เพียงได้ยินมานี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีว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 หากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้เราเห็นด้วยโมชีวโกโกมรารพัฒกาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะ